การมาทำบุญจะให้สะดวกสบายเหมือนกิดอยู่บ้านตัวเองมันก็ไม่ได้อันนี้เราเปลี่ยนสถานที่มาวัดวาศาสนามาทำบุญมาสร้างบุญสร้างกุศลจะให้สะดวกสบายเหมือนกินอยู่ในบ้านมันก็ไม่ได้ทางสะดวกสบายอย่างนั้นกิดเมื่อกี้นี้จากบ้านไม่ได้ถ้าคิดดูครูบาอาจารย์บรมครูของพวกเราอย่างพระพุทธเจ้าอย่างเนี้ย ท่านเป็นพระมหากษัตริย์ความสุขขนาดไหนเราคิดดูสิอยู่ในเวียงในวังเวลาอาหารการบริโภคอะไรทุกอย่างเพียบพร้อมไปหมดแต่ขนาดนั้นพระองค์ยังหนีไปอยู่ในป่าตามลำพังไม่มีใครรู้เลยไปอยู่ในป่าถ้าจะว่าไปอายุของท่านก็ยังหนุ่มแน่นมากอายุยี่สิบก้าปี ถ้าเป็นคนก็กัแปลว่าสติปัญญาทั้งร่างกายทั้งจิตใจเนี่ยพร้อมคนยี่สบเก้าสาสิบเนี่ยเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวว่างั้นนะเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านหนีออกจากเวียงจากฟังโดยที่ไม่ได้บอกใครถ้าไปบอกคนนั้นคนนี้เนี่ยเขาจะไม่ให้ไปทำไงเพราะนั้นพระองค์รู้อยู่แล้วว่าพระองค์จะหนีไปบวชไม่ใช่เสแสร้งถ้าสแสแสร้งอีกอย่างหนึ่งเนะ ท่านเอาจริงจังท่านคิดดีแล้วว่าท่านจะหนีออกไปบวชสาเหตุที่จะห น, นีออกไปบวชนั้นมีสาเหตุอะไรท่านคิดทบทวนดูแล้วมั่นใจแล้วท่านเห็นความแก่ความเจ็บความตายเห็นสมณะนักปวชนักบวชท่านเห็นในพทัยของพระองค์แล้วจึงตัดใจอย่างเด็ดเดี่ยวอาถาน ออกไปบวชตามลําพังไปอยู่ในป่าพอจากนั้นปองผมเสร็จแล้วก็นั่นอะ่ะมันตรงกันข้ามกับคนที่ออกบวชที่ไม่ได้คิดไว้ก่อนเพระผู้ได้เจ้าท่านคิดไว้แล้วพอออกไปบวชปองผมเสร็จแล้วให้นายสันกลับมากลับมาก่อนพระองค์ก็อยู่ตามลําพังเจ็ดวันไม่ได้สวยพระกระยาหารเลย ท่านเสวยความสุขในใจของท่านเป็นอิสระเป็นไทยในตัวเหมือนกับคนที่เป็นโรคหายจากโรคเหมือนกับคนอยู่ในที่คุมขังพ้นจากคุกมาเหมือนที่คนที่เป็นหนี้สินพลุงพลังแล้วปลดหนี้ศินออกหมดใจพระองค์ปลอดโปร่งอย่างนั้นน่ะเป็นอิสระในการเป็นอยู่ถึงเจ็ดวัน ไม่ เ, เสวยประกยาหารเลยเพราะเป็นนักบวชใหม่พอจากนั้นวันที่แดก็ไปบินเท่าบาทใครจะไปรู้จากวันนี้คือสิท ธ, ธัตถะเป็นพระเจ้าแผ่นดินไม่มีใครรู้หรอกเพราะท่านขี่ม้าไปจากกรุงกบินรพัดมาถึงที่พระพุทธเจ้าตรงผนวดนั่นนะอีแม่น้ำอโนมานทีห่างประมาณสองอกว่ากิโลท่านจะว่าไปก็ขนาดนี้ไปขอนแก่น สมัยนะั้นไม่มีถนนลาดยางอย่างนี้เลยไม่มีซูปเปอร์ไฮเวย์เลยคงจะเป็นท้องนาเป็นปา่าล ง, เ ป, งเป็นทุ่งเป็นทุ่งเป็นท้องนาเป็นอะไรไปเรื่อยม้าจะวิ่งไปตามถนนลาดดงปา่าตรงพงไผ่ไปเรื่อยจากนั้นใครจะรู้จักไปอยู่จุดนั้นจากนี้ไปค้อนแข่นใครจะรู้จักประวัติของสิทธถะคืออะไรถ้าจะรู้จักก็อยู่แถ บ, บนี้ตนเองนะ่ะจะรู้จักในเมืองของพระองค์นั่นน่ะนอกจากเมืองของพระองค์ไปแล้วหนู่น ไปเข้าเขตของกุงราชะคืดหน่นะมันไม่ใช่ใกล้จากนั้นพระองค์ บ, บำเพนอยู่ในป่าตามลาพังนอนอยังไงกินยังไงพักผ่อนอยังไงเราพวกเราคิดดูกันแล้วกันพระมหากษัตริย์ถ้าเปรียบเทียบกับพวกเรามาบำเพ็ญกุศลในวัดวาศาสนาอย่างที่มาวัดคนละเรื่องกัน คนละเรื่องคนละแถวละแนวกันพวกเราในสะดวกสบายกว่ายเยอะแต่ขาดเหลือขาดตกบัางไม่เหมือนที่เราอยู่ในบ้านนั่นเองถ้าเปรียบเทียบกับบรมวครูต้นศาสนาต้นศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราแล้วนั้นถ้าเราเปรียบเทียบอย่างนั้นเราอยู่ที่ไหนอยู่ได้หมดเพราะว่าพระพุทธเจ้าพาลำบากมาก่อน ครูบาอาจารย์ก็พารํำบากมาก่อนอย่างหลวงปูม่มันอย่างนี้อย่างหลวงปู่เสาอย่างนี้เวลาเดินทัพเดินทุดงไปหมู่บ้านต่างๆบางหมู่บ้านก็โอ้ก่อนที่ท่านจะขึ้นมาได้ที่มาสอนพวกเราอย่างพวกเราทุกวันนี้มันฟุงฟ้งเฟ้อฟุงฟ่งเฟือยจนพอแรงแล้วละ่ะถ้าจะว่าไปแล้วนะแต่นึกคิดถึงครูบาอาจารย์แล้ว แต่ถึงยังไงก็ตามยุคนั้นสมัยนั้นเท่ากับเป็นอย่างนั้นแต่ยุคนี้สมัยนี้เราไม่ใช่ว่าจะเอาให้มันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เท่าก็รู้จักกาลเทศะแต่ถึงยังไงก็ตามอย่าให้มันเกิดไปอย่าให้มันเป็นทุกข์ถ้ามันไม่มีก็ใช้ไม่อย่างไม่มีให้รู้จักประมาณตนไม่ใช่ว่าวันไหนก็อย่าให้มันร่ํารวยทุกวันไม่ใช่เอเมื่อเรา จนเราก็รู้จักว่าจนต้องเปรียบเทียบในครั้งกูบายจานบ้างในครั้งตัวเองเป็นยังไงชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่นเราควรทําตัวให้เขาเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายอยู่อย่างพระชั้นอย่างพระพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอภิชาตาเป็นผู้มักน้อยสันทุธิคถาเป็นผู้สันโดษถึงเราจะไม่ใช่เป็นผู้มักน้อยก็ให้เป็นผู้สันโดษลองลงมา ตามมีตามได้ตามมีตามเกิดมีมากฉันมากมีน้อยฉันน้อยแต่ถ้าอภิชตาติแล้วถึงจะมีมากก็รับน้อยฉันน้อยอยู่แบบขิมเขี่ยมอยู่แบบเจียมตัวใช้แบบประหยะัดถึงจะมีมากก็ไม่ไม่ลืมตัวอันนี้นก็คืออภิชตาติสันทุติกาถาเนี่ยปว่าผู้สันโดษมีมากก็ใช้ตามที่มันมี มีน้อยก็ใช้ตามที่มันมีถ้ามันไม่มีก็ไม่ต้องไม่ต้องใช้มันเพราะมันไม่มีอันนี้แปลว่าอยู่อย่างพระเพราะงั้นพระต้องเป็นอย่างนี้ะอย่างน้อยอยังอยู่ยังอยู่แบบสันตุที่คถาเนี่ยสันโดษในอติเลกลาภภายนอกแต่ส่วนภายในจิตใจนั้นให้มองเพ่งมองอยู่เสมอถึงจะใช้ของดิีของดีขนาดไหนก็เถอะไอ้ความแก่ความตายจะ อยู่ในคอของเราอยู่ตลอดเวลาคล้องคอเราอยู่ตลอดเวลาเพราะฉนั้นต้องดูจุดนี้สิ่งภายนอกพอเป็นพอไปได้ก็เอาละเราเป็นพระเราเป็นนักบวชถ้าเป็นคราวญกนะ็คือเอาปิ่งเต้นข้นขวายพราะเราเป็นคราวญาเราก็ต้องโสแสวงหาทรัพย์ตามสติกําลังความสามารถของเราแต่ถึงจะโสแสวงหาทรัพย์ก็เถอะก็ต้องมองตัวเองอีกเหมือนกันนะั่นแหะเราอย่าลืมตัวนะ ถึงเราจะร่ํำรวยขนาดไหนก็เถินะเราไม่ถึงร้อยปีนะเราตายแน่ๆนะเพราะนั้นเราไม่ควรประมาทควรสังสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจด้วยเราควรจะมีทานมีศีลมีภาวนามีไหว้พระสวดมนต์ด้วยดูบิดามัรดาขาร บ, บิดามันดาสงเคราะห์ปิดามารดาของตนเองด้วยเพื่อเป็นการสั่งสมบุญกุศลอีกไม่นานเราก็จะต้องตายจากโลกนี้แล้ว ถ้าเราตายแล้วศูนย์มันก็ไม่มีปัญหาตายแล้วศูนย์แต่ตายแล้วเกิดอีกเรามีทุนแล้วยังเราสั่งสมบุญกุศลไว้เพียงพอแล้วยังสิ่งเหล่านี้ก็อยากจะให้พวกเราที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าพุทธบริษัทสีของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้คิดเนี่ยพุทธพุทธามไป็นผู้รู้ผู้ฉลาดผู้เบิกบานท่านให้คิดเอ ไม่ใช่อยู่แบบเป็นวันๆไปไม่คิดไม่อ่านไม่ได้หาเหตุและผลพระพุทธเจ้าให้หาเหตุผลเลหลังจากพระพุทธเจ้าก่อนที่จะบวชท่านเป็นยังไงก่อนที่ท่านจะหนีท่านอกจะบวดเป็นยังไงถ้าเห็นความแก่เนี่ยเอ๊ะทำไมมันแก่เราจะแก้ไม่ได้หรือความแก่เนี่ยจแก้ไขยังไงกับความแก่เไปเห็นคนเก็บเอา้าจะทาไงลจงจีจะไม่เจ็บเถียคนตายเอาทาไง จะไม่ตายไอ้ตัวตายเลยสําคัญเหมือนกันเอะไอ้แก่เนี่ยก็ยังมันก็แก่ไปเรื่อยๆแต่ความเจ็บเนี่ยก็ยังมีหยูกยาบรรเทาไปแต่ความตายเนี่ทุกคนต้องตายเนี่ยคิดหนักเร็วกันเถอะไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้เรื่องความตายเลยเพราะนั่นผู้พระเจ้าจะทํายังไงจึงจะไม่ตายนะเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงออกไปสดแสวงหาความไม่ตายตามลําพังถึงหกปีจึงได้เจอ ขนทางที่ไม่ตายทํำยังไงจึงจะไม่ตายพระพุทธเจ้าบอกไม่ต้องเกิดนะแล้วจะทํำยังไงจึงจะไม่เกิดบ่เนี่ยนี่แหะพระพุทธเจา้าจึงค้นหาเทว่าจะทํำยังไงใจจงนี้จึงจะไม่เกิดอีกเหมือนกับมันพิษพันุ์ขึ้นมาเดี๋ยวนี้มือนก็ต้นข้าวมันออกรวงนะอย่างพวกเราเกิดมาเป็นต้นข้าวออกรวงนลยเนะี่พอออกรวงเสร็จแล้วตอนนี้เขาเก็บเกี่ยวมาบ่เนี่ยเขามันนวดออกมันเป็นเม็ด บ, บ่ เป็นเม็ดก็คือร่างกายเหมือนกับร่างกายของเราเนี่ยมันตายแล้วต้นข้าวมันตายแล้วงั้นเลยมันมีแต่มเม็ดเม็ดก็เหมือนกับใจนี่แหละป๋าใจกระพร้อมที่จะไปเกิดอีกได้เพราะมันเป็นต้นข้าวต้นข้าวมันหลุดหล่นไปแล้วต้นข้าวมันก็ตายแล้วต้นนี่แต่ว่าเม็ดข้าวมันยังเหลืออยู่มันจะต้องไปเกิดอีกไปขยายพันธุ์อีกนี่แหละพระพุทธเจ้าเราจะทํายังไงที่จะให้เม็ดข้าวเม็ดนั้นน่ะไม่ขยายพันธุ์ไปอีก ไม่ให้มันเกิดอีกนั่นแหละพระพุทธองค์จึงเสาะค้นคว้าหลักจุดนี้แหละี่ต้องมีตปะธรรมคือศีลสมาธิปัญญาคือมรรคแปดมาหงุงมาต้มมานึง่งมาเผาไฟ อ, อจนเชื้อมันหมดเชื้อที่จะทําให้เกิดมันหมดมันหมดเชื้อแล้วนั่นแหละแต่นี่เม็ดข้าวเม็ดนั้นจะเอาไปปลูก ที่ไหนก็ไปไม่เกิดทั้งนั้นเพราะมันหมดเชื้อแล้วนี่แหละคือหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะอย่าประมาทตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกที่พระพุทธเจ้าพาพิสูจน์มแล้วท่านว่าตายแล้วเกิดนะตายแล้วไม่สูญเพราะนั้นควรจะสั่งสมบุญกุศลเอาไว้ให้ท่านรักษาศีลภาวนาดูแลบิดามารดา วายวุธคุณวุธให้เป็นคนดีในสิ่งที่มันไม่ดีอย่าทำถ้าทำแ ล, ลำ้วกรรมชวนนั่นจะต้องตามติดตามใจของเราติดตามเม็ดข้าวเม็ดนั้นหละไปผุดเกิดไปพบหน้าชาติหน้ากันนั่นน่ะได้ใช้กรรมระบาดวิบากกรรมตามสนองอัรับพรอนอุนโมทนาให้พรวันนี้ให้แนวความคิดอันหนึ่งสำหรับพวกเราท่านทั้งหลาย ยะทาวริวะหาปุราภิร